f 0 t languages. C. t h i r n e m e n t kolm. n e m e n t kolm. t s l o m a e l o m a u n a n Sealon l o o m a d Sealon l o o m a d ยีราฟอยู่ตรงนั้นเสือ on k a ก็เอลกิริักกุตเสืออ่อนก็ a อุมีอยู่ที่ไหนกุกอุกุกอรุตช้างอยู่ที่ไหนกุเวิตงูอยู่ที่ไหน กุสันมาอตกุสันมาอตสิงโตอยู่ที่ไหนกุสัน o ลวิตกุสันเลวิตดิฉันมีกล้องถ่ายรูปมู์ฟอโต้อป p าร์ตมูลน์ฟอโต้อปปาร์ตดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยมูลน์กวิเดโอคามา มุลลอนก็วิดีโอกล้ r งมั้งร่ะดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนกุอตรกุศลปตเร์นกเพนวินอยู่ที่ไหนกุศปิงวนิดกุศลปิงวีนิดจิงโจ้อยู่ที่ไหนกุศลงกรุตกุงกรุ แรดอยู่ที่ไหนกุสช n ีนาศารวิ i กุตุห้องน้าอยู่ที่ไหนกุสซอสุ t ตัวเลตกุสุตมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นเซฟกฟมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น เซ a, a l on restauran. เซาลอนร้านอาหารูดอยู่ที่ไหนกุ้งสังกามลิตกุ้งสังกามลิตกอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหนกุ้งสังกอริลลาที่แอสเปราต์กุ้งสังกอริลลาที่แอสเปราต์เสือและจรเขอยู่ที่ไหน คุณ s ON t i i ก i ิตยาโคร k o d i l i d